เขียนนะครับถ้าไม่ได้ไม่ได้เห็นตรงนี้อาจจะอาจจะนึกภาพยากนะครับอขออนุญาตไปแผ่นสุดท้ายของอันนี้ได้ไหมครับ อ, อันนี้ผมพอดีผมเว้นเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมาขึ้นตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นตัวเชื่อมนะครับของสองสองสองสองอะไรสองส่วนนี้นะครับชุดความรู้ที่เราศึกษาวันนี้นะครับคือทั้งหมดที่เราพัฒนาะพุทธ บุรณาการศาสตร์เนี่ยนะครับที่เชื่อมระหว่างพุทธวิชากับพัฒนาบุรณาการศาสตร์เนี่ยมันคือการทําหน้าที่คอนเซปต์นะคอนเซปต์ concept คือโมโนทัศนมโนทัศน์ของเรานะครับภายใต้กระบวนการทัดใหม่อันนี้สำคัญนะครับคำว่ากระบวนการทัดใหม่นี้ต้องต้องติดเป็นเหมือนกับท่านมีลูกเล็กต้องหนีบไปติดตัวไปตลอดนะครับว่าโมโนทัศน์นั้นนะ่ยทุกคนมีอยู่แล้วแหะแต่โมโนทัศน์แบบกระบวนการทัดใหม่อะไรเป็นตัวอย่างของกระบวนการทัดใหม่บ้างเช่น ท่านทําลักษณะที่แบบเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับจนสู่ศูนย์เน่ยกระบวนทัศน์ทั่วไปหรือมโนทัศน์ทั่วไปมีไหมนี่จึงเรียกกระบวนทการใหม่นะฮะเราสามารถพูดเก่ากับใหม่ได้นะครับทีนี้ส่วนที่เป็นแบบกว้างอะ่ะเกลือกว้างอันเนี้ยตะวันตกเขามีแล้วนะครับเกลือกว้างแต่เกลือกว้างชนิดที่จะมีแบบหมุนเกลียวเล็กซ้อนเข้าไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมีไหม นึกภาออกไหมฮะที่เป็นเป็นเกลียวสองอันซ้อนกันเนี่ยนะฮะมีไหมยังไม่มีใช่ไหมครับภาพอันไหนเออเรามีไหมภาพอ่านี่เนี่แผ่นที่สองนะครับเชื่อกับให้ดแผ่นที่สองนิดของอของชุดที่สองชุดที่สองอชุดที่สองโทษครับอแผ่นแรกแผ่นแผ่นแรกเลยชุดที่สองนี่ครับอ่าตัวนี้เห็นไหมฮะ ที่จะมีทักษะเป็นเกลียวกว้างเนี่ยสังคมมีแต่ที่จะมีเป็นแบบขัดเกลารตัวเองเข้าไปด้วยแล้วอยู่พร้อมกันเป็นองค์รวมอย่างเงี้ยมีไห ม, ไมนี่คือกระบวนทัศน์ใหม่นะงั้นคำว่ากระบวนการทัดเนี่ยท่านเอาตามความจริงความรู้จริงเหล่านี้เนี่ยจับจะง่ายกว่าถ้าเราไปนั่งอ่านคําศัพท์คือคํานิยามกระบวนทัศนะจะมีเยอะเลยและมันไม่ได้ชี้มาที่ตรงนี้เลยนะงั้นกระบวนทัศน์อธิบายในแบบ เป็นกระบวนทการแบบเดิมนะครบแบบเดิมเนี่ยท่านเปิดใน Google เนี่ยจะมีเยอะเลยแต่ที่เป็นกระบวนการใหม่ที่อาโศกจะเครมหรือจะประกาศว่ามันเป็นกระบวนการใหม่ก็คือตัวอย่างอันนี้นะครับลักษณะที่เป็นตัวอยู่ด้วยกันนะครับหรือชุดความรู้ที่ชุดความรู้ที่เรียกว่าเป็นชุดความรู้ในฐานการเรียนรู้และไปสู่โลกุตระอันนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีนะครับเอาหลักๆใหญ่ๆก่อนแลส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเติมเข้าไปนะฮะเติมมันเติมมันเข้าไปนะฮะวันนี้ เน้นนะฮะคอนเซปต์ Concept, นะย้อนกลับไปที่คอนเซปต์หนยแผ่นสุดท้ายนะครับเพราะฉะนนที่ท่านฟังมาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะตั้งแต่ปฐมอนิเทศมาจนถึงวันนี้ท่านคิดว่าคอนเซปต์โล ก, กุตระนะครับแล้วเป็นกระบวนการใหม่เนี่ยมั่วไหมมั่วไหมมีแต่ชัดขึ้นชัดขึ้นนะฮะชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ตัวนี้ถือว่า ไปได้สวยนะไปได้ดีนะครับทีนี้ถัดมามันจะมีเรื่องคอนเทนต์คอนเทนต์ตัวนี้ยังไม่มาเพราะมันอยู่ที่นักศึกษาคอนเทนต์นี่แปลว่าเนื้อหาเนื้อหารายละเอียดเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นยังไม่ยังไม่มาเนี่ยท่านกําลังเริ่มงานชิ้นแรกนะครับที่เขียนงานเขียนเปเปอร์เวิร์กตัวนี้ก็เป็นเริ่มที่เหมือนกับจุดสตาร์ทนะฮะแรกๆกสุดเลยของนักศึกษาที่เริ่มจะมีบทบาท แต่ต่อไปเนื้อหาตัวนี้จะปรากฏมากขึ้นนะครับในงานนะฮะอันล่างสุดสุดท้ายเลยผลงานแสดงกระบวนการกลุ่มนะฮะจะมีรูปแบบงานเขียนงานรีพอร์ตหรืองานรายงานแล้วก็งานวิจนยพณดีสิสนะครับตอนนี้เราก็เริ่มจากตัวสตาร์ทงานเขียนแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นรายงานต่อไปนะฮะและทั้งหมดคอนเทนต์ของเนื้อหาก็กาลังจะ ด, ดําเนินการเขียนตามภาพคอนเซปท์ที่เรามีแล้วก็บวกเนื้อหาที่เป็นโอคุณละบวก เนื้อหาที่เป็นตัวงานจริงนะครับประกอบอยู่ด้วยกันทีนี้คอนเทกต์คอนเทกต์นี่คือบริบทบริบทนี่คือตัวสแพลตฟอร์มตอนนี้เรามีฐานงานเรามีเนื้อหาเรามีกระบวนการกลุ่มแต่เราจะพยายามชูออกมาเป็นสี่แพลตฟอร์มอย่างไรอันนี้เป็นของใหม่นะถ้าท่านเขียนตามฐานงานท่านเขียนได้เลยถูกไหมฮะ เขียนว่าทําอะไรแล้วก็ได้อะไรดีขึ้นหรือ ไ, ไม่ได้อะไรดีขึ้นแล้วสุดท้ายได้ความเสร็จยังไงเนี่ยท่านวางแผน อ, อะไรแต่ไรพร้อมเขียนทันทีแต่ถ้าเป็นกระบวนการแบบองค์รวมแบบ อ, อย่างที่ว่าเป็น4ี่แพลตฟอร์มแล้วไปเข้าลักษณะบรูรณาการองค์รวมอย่างเงี้ยเป็นของใหม่นะเป็นของใหม่ต้องฝึกปรือนะครับอันนี้เป็นลําดับที่3เป็นลำดับที่3เพราะว่าคอนเทนต์ต้องฝึกเขียนก่อนนะฝึกเขียนตามตามเนื้อหาตามความรู้แบบชั้นง่ายๆก่อนนะครับคอนเท็ก์ย่อมต้องซับซ้อน ต้องจับซ้อนกว่าเพราะบริบทของตัว18บแปดฟอร์มเนี่ยมันมันมันเยอะกว่าเอาง่ายๆเอาแง่เศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีเยอะแยะและมีกิจกรรมมีขยะมีอะไรทั้งหลายหลายอย่า ง, รางเราจะหาองค์รวมองค์ร่วมได้อย่างไรนะครนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวมหาวิชารามเราก็จะนาวาบุญยมก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะแสดงว่าท่านยกระดับสูงขึ้นมากว่าระดับตามฐานงานทั่วไปนะฮแล้วมาเป็นสิบแปฟอร์มแล้วสิฟอร์ม ยกเข้าสู่โลกุตละอย่างไรนะครับอันนั้นเป็นตัวร่วมสําคัญที่สุดก็คือปลดล็อกกลุ่มคอนเทคได้นี่ก็คือตัวคอนแทกหรือการมีส่วนร่วมนั่นเองเราจะเอาตัวการมีส่วนร่วมนี่แหละบันทึกออกมานะครับแล้วก็คอนเฟิร์มในสี่คอนเทคหรือในคอนเทคที่เป็นสี่แพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะฮะคือ4ฐานเรียกอะไรนะวันเราเรียกอะไรนะฮะสถานส่งพลังปัญญาใช่ไหมฮะที่อาจารย์ดรวิชัยเสนอว่าฐานส่งพลังปัญญ า, า, า, า, า, ญญาขึ้นมาให้สังคมรับรู้ได้ไงว่า ในสี่ส่วนนี้นะฮะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าสี่ส่วนนี้มันก็ไปเชื่อมกับการพัฒนาของมนุษย์ของตะวันตกที่มีสี่ควอเต็ทนะครับอันนี้จะพัฒนาขึ้นสู่โลกุตละได้อย่างไรนะครับอันนี้คือภาคของคอน a c t นะฮะคือการมีส่วนร่วมกกร่วมกัรที่จะเป็นเรื่องของการนําส่วนที่เราเรียกว่าเกลือกว้างให้กับสังคมนะฮะงั้นถ้าเราจะมองดูแล้ว เราพอจะนิยามหรือว่าเราพอจะกำหนดนิมิตหมายกันได้ไหมว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ definition นะแต่มาว่านิมิตร่วมกันว่าถ้าเป็นทักษะของการเกืี่กว้างเนี่ยมันก็คือนาวาบุญยมเป็นคนออกไปช่วยโลกเรือโนโอานี่ช่วยช่วยแค่คนคู่เดียวหรือว่าช่วยสิ่งมีชีวิตทั้งโลกนะช่วยทั้งโล ก, ง, โลกงั้นนาวาบุญยมก็ต้องมีทักษะเกืี่กว้างออกไปให้มากที่สุดใช่ไหมช่วยจิตวิญญาณมันด้วยให้มากที่สุดใช่ไหม ถูกไหมนะฮะเราตั้งตุกตานิมิตรอั น, นนี้ไว้ก่อนนะแล้วถ้าเป็นวิชารามเนี่ยก็คือตัวความรู้ที่มาพามนุษย์ในแต่ละจิตวิญญาณเนี่ยเข้าสู่ศูนย์ใช่ไหมใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอจะรู้จุดเด่นของวิชารามและนาวาบุญนิยมเลยนะนาวาบุญนิยมนี่เน้นในภาษาที่ท่านทําประโยชน์ให้กับมนุษย์ถูกไหมครับเป็นโลกาธุกรรมปลายะ ใช่ไมฮใช้ภาษาบาลีของเราแต่ถ้านักวิชาการฟังโลกาดุกรมไบยะก็หมื่นหมื่นเหมือนเราฟังภาษาฝรั่งก็เหมื่นทำนองนี้นะครับก็ส่วนส่วนวิชาลามนี่ก็จะเน้นเป็นอารามแห่งวิชาทุกคนก็จะต้องมาบอกว่าเราเอาความรู้อะไรมาใส่ไว้ในอารามนี้ให้เป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังนะครับเพราะฉะนั้นวิชาลามเนี่ยถ้าเป็นระดับ พุทธคุณนะครับก็เปรียบเหมือนคุณอนิธิทุกคนเอาประสบการณ์ที่ทําให้ตัวเองเล็กลงเอามาใส่ไว้ในอารามแห่งนี้อารามแห่งวิชานี้ถูกไหมฮะที่ผมทําเป็นแมทริกไว้เปรียบเหมือนเป็นห้องห้องห้องอ่ะท่านท่านมีความรู้ในห้องไหนตรงนั้นท่านก็เอาความรู้นั้นไปใส่ไว้นี่ก่อนไหมฮะงานเขียนท่านอ่ะที่เกี่ยวข้องกับในช่องไหนช่องไหนตรงนั้นอ่ะท่านก็ไปใส่ใส่ส่ ส, ส, ส, ส, ส, สไว้ มันก็เปลี่ยนเหมือนคุณนนทิธิใช่ไหมฮะเป็นที่เป็นแหล่งรวมของชุดความรู้อริยะหรือโลกุตละให้นะครับส่วนถ้าอาโศกทำในเรื่องนาวาบุญยมเอื้อกว้างกับสังคมได้มากเท่าไหร่ก็เหมือนคุณนราศีถูกไหมคนมีคุณนราศีนี่จะมีพลังช่วยโลกไหมเ mm hmm. พราะฉะนั้นท่านทำในส่วนที่มีเอื้อกับสังคมไม่ช่วยสังคมไปโลกุตละท่านก็คือกาลัง ทำอุดมการนาวาบุญนิยมถูกไหมครับทีนี้วิชาลามกับนาวาบุญนิยมเนี่ยมันเชื่อมกันตรงไหน <c oughs> เชื่อมกันตรงที่มันมีบุญนิยมคือกรรมใช่ไหบุญนิยมเป็นกรรมไหมตัวนาวาเป็นกรรมไหมตัวนาวานี่คือเรื่องราวของท่านที่ท่านทำมาแต่คนในเรือแล้วทำกรรมอะไรลงไปมันอยู่ที่บุญนิยม และบุญนิยมก็ต้องทำอยู่ภายใต้กรอบวิชาความรู้ที่มีตามหลักพุทธวิชาหรือวิชาลามถูกไหมครับสองสิ่งนี้แยกจากกันได้ไหมถ้าชื่อว่านาวาบุญนิยมไม่ได้เพราะมีคาว่าบุญคือชําระกิเลตตัวนั้นเป็นตัวลิงนะครับเป็นตัวกรรมนะกรรมนิยามที่จะลิงหรือเชื่อมนะคือเชื่อมประสานไม่ให้หลุดออกจากกันนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะฮะทั้งหมดที่ได้อ่ จากการที่เราทําภาพรวมหรือเรียกว่าเรากําลังมาจูนคลื่นนะฮะจูนจูนคลื่นความเข้าใจของเรานะครับทีนี้เราก็จะย้อนอกลับไปพูดถึงครั้งแรกนะครับที่เราให้งานไปสามอยา่างแล้วงานที่เป็นนามธรรมามากนะครับก็คือหมหาวิชารามนาวาบุญนิยมนะครับผมเหลือเวลาประมาณอีกครึ่งชั่วโมงจะสี่โมงจะให้ไปเร็วหรือไปช้าเกรงว่าไปช้ามันจะไม่ทันเนาะ พอจะคุยยังไงได้ไหมเวลาจะเอาครึง่งหมว่าครึ่งชั่วโมงผมก็จะปุ๊บๆอดัอดอดัอดเข้าไปแล้วเสร็จสี่โมงหรือว่าจะว่าไปเป็นแบบอย่างเงี้ยค่อยๆมีเวลาหายใจค่อยๆไปแต่มอาจจะเลยสี่โมงบ้างครั <c oughs> ขบขอบคุณมากโอเคกำหนดนี่มีตรงกันนะว่าสี่ครึง่ง <laughs> ไม่ใช่ห่ะผมจะได้ไม่ ความถีไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องหมุนมากเดี๋ยวจะกระหืดกระหอบเหมือนคนวิ่งภายในนะครับงั้นเราเริ่มเลยนะครับส <c oughs> มมุติว่าเรามองมหาวิชาลามนาวาบุญยมอันนี้ถือว่าเป็นตุ๊กตานะเป็นตุกนะ๊กตาเป็นตัวอย่างไม่ใช่เป็นศาสตร์นะอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์อันนี้เป็นศิลป์แล้วเป็นศิลป์แล้วเป็นเปิดศิลปะนี้เปิดกว้างนะธรรมชาติศิลปะนี้เปิดกว้างสะท้อนสะท้อนสิ่งที่รับรู้ออกมาให้คนรับรู้เนี่ย มันเปิดกว้างเป็นอิสระถูกั้มคนแต่งเพลงจะสะท้อนอารมณ์อะไรออกมาก็ได้ใช่ั้มรักเศร้าดีใจใช่มฮะรักชาติอะไรมันตารพัดเลยถูกไหมฮะงั้นสิ่งนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่จะสะท้อนออกมาภายใต้การมองที่เราพยายามจะสนับสนุนหรือให้เห็นเป็นตัวอย่างของการเริ่มคิดแบบเป็นระบบนะ ค, บคิดแบบเป็นระบบนะฮะ แล้วเป็นระบบแบบเช่นิดที่ว่าจะค่อยๆ อ, ออกไปเป็นการวิเคราะห์เชิงระบบยังไงอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะเป็นพื้นฐานแต่ว่าตัวเรื่องเราเราไม่ได้บอกเป็นทฤษฎีหรอกว่าอันนี้นี่นะอินพุตนะอันนี้ตัวนําเข้าอันนี้กระบวนการโปรเซสอันนี้เอาพุตตัวผลผลผลิตอะไรนี้ออกมาเราไม่พูดอย่างนั้นเราจะพูดกันเป็นเชิงภาษาธรรมดานะครับถ้าเรามอง3ามคำมหาคํานึงวิชารามคํานึงนาวาบุนิยมคํานึง เราก็ได้ตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมครับว่าวิชาลามคือเกลียวที่ไปหาวงแหลมคือลดกิเลสลงไปเนาะแล้วนาวาบุญยมก็คือลถจากตัวเราเริ่มเล็กๆก็ค่อยมีจิตอาสาเกือาา้อก้วงก็บานออกไปเรื่อยๆถูกไหมครับงั้นสองคำนี้วิชาลามกับนาวาบุญยมเป็นสองลักษณะเหมือนไคเนติกเอนเนอร์จีกับอ่าโพเทนเชียลเอนเนอร์จีทำนองนั้น น, น, นะฮะแต่ไม่เหมือนทีเดียวแต่ว่ามีลักษณะคู่กันนะมันไม่เหมือนทีเดียว แต่คำว่ามาหาแปลว่ามันสามารถรวมกันได้งั้นรวมจริงๆทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ง่ายไหมทำทำวิชาลามอย่างเดียวเนี่ยง่ายไหมยอย่างเดียวนะง่ายไหมฮะง่ายไหมลดละกิเลสตัวเนี้ยไปถึงศูนย์เลยเนี่ยทำมาสี่สิปีแล้วเนี่ยง่ายไหมฮะ <c oughs> อย่างเดียวก็ไม่ง่ายนะแ้จะจิตอาสาเกื้อกว้วง ออกไปช่วยสังคมการเมืองระยะอีกง่ายไหมทำมาหลายปีแล้วอ่ะง่า ย, ยไหมไอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ง่ายแล้วเนะมหานี่เพระท่านจะต้องนำความรู้นนี้เข้ามาแล้วก็ลงตัวและนำไปสู่สังคมได้เนี่ยท่านคิดว่าง่ายหรือยากฮะ ม, มันกว่าจะง่ายนะเพราะว่าท่านเอาความยากสองอันต้นทุนมาแล้วอะ่มมะออนะมันคิดวนระมุมได้นะ คือถ้าคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะใช่มันยากแตถ่ถ้าท่านมีต้นทุนอยู่สองอันแล้วอ่ะท่านจับมาเชื่อมกันเนี่ยน่าจะง่ายกว่าที่ไม่มีอะไรเลยไหมน่าจะง่ายกว่าไหมเพราะท่านใช้เวลาสี่สิบปีให้เราค่อยๆมีคนละส่วนนี้มาทําคนละส่วนขึ้นมาตอนนี้เป็นอีกรอบหนึ่งที่เราจะต้องนําทําสิ่งนี้เข้ามาเชื่อมกันต้องง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าง่ายกว่าเพราะมันมีต้นทุนมาแล้วถูกไหมแต่ถ้าแหมต้องพูดอีกอะ่ะกลุ่มอื่นพร้อมไหม กลุ่มอื่นมีความพร้อมขนาดนี้ไหมย่ยอมยากที่สุดจริงไหมเพราะจ้างอย่างนี้อีกหนึ่งก็ยากแล้วอะ่ะแล้วไม่มีต้นทุนในมือให้ไปทําสิ่งที่สามอะ่ะยากที่สุดจริงไหมจริงนะท่านก็ต้องมีกําลังใจให้ตัวเองด้วยนะจะไปคิดคนอื่น ก, ก็โอกโหยากจังเลยอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยต้องมองก่อนเขามีต้นทุนหรือเปล่านะถ้าก็าไม่มีต้นทุนก็ถูกแล้วใช่ไหมเขาก็ต้องมองว่ายากจริงไหมครับงั้นอย่าเสียขวัญไปกับเขานะ วพราะต้นทุนในมือมันไม่เหมือนกันนะเขาเสียสระหรือเปล่านะครับดังนั้นโอเคแม้จะเป็นนามนธรรมนะฮะถ้าเรามองอย่างนี้แปลว่าเราเริ่มจับต้องได้แล้วจริงไหมเราเริ่มจับต้องแนละ้วถ้าเราไปเริ่มเอามหาแปลว่าใหญ่นะวิชารามก็คือวิชาบวกอารามนาวาก็เหลือบุญนิยมก็ลดละกิเลสเนี่ยไปแบบไล่มาเทีย ร, ร์คแล้วก็ประกอบเรียงประโยคเลยนะว่าเป็นมาวิชารามก็หมายถึง เป็นเรื่องอะไรสำคัญใหญ่โตของวิชานะฮะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคืออารามที่อาศัยนะอันนำไปสู่การทำประโยชน์เหมือนเป็นยานที่จะให้เราดำเนินการลดละกิเลสไปเรื่อยเพื่อเกิดประโยชน์สังคมจบนี่นี่คือนี่คือกระบวนกา์เก่าเวลาเขาเจอคำคำหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมองกันแบบนี้ถูกไหมครับถูกไหม แต่ถ้ากระบวนการใหม่เนี่ยเราจะมองในเชิงของการมีปรากฏการณ์หรือการมีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาก่อนต้องมาดูต้นทุนกันก่อนถูกไหมฮะดังนั้นการที่เรามองแม้กระทั่งคําแรกในแผ่นที่หนึ่งนะครับตัวนี้มันก็มองไม่เหมือนกับทั่วไปแล้วจริงไหมจริงไหมครับแล้วทั่วไปจะมองอย่างเราไหมเพราะก็ไม่มีต้นทุนใช่ไหมไม่มีประสบการณ์ไม่มีต้นทุนเขาจะมองออกไหมจะนึกถึงไหมใช่ คนไม่เคยดื่มน้ำมะนาวเนี่ยจะนึกถึงรสชาติน้ำมะนาวได้ไหมันไม่มีทางอ่ะเนาะอันนี้มันก็เนรื่องต้นทุนนะมัน ก, ก็ต้องว่าไปอ่ะทีนี้เราย้อนกลับไปต่อนะครับอธิบายไปแผ่นที่สองเลยแผ่นที่สองครับทีนี้เราก็ลองมาในเชิงของชุดความรู้ดูนะฮะว่าในหมหาวิชาลามนาวาปุณิยมเนี่ยโอ้โหผู้สรุปเชียร์นามธรรมาเรานะครับมีเกลียวหมุนกันอย่างดีเลยแล้วชุดองค์ความรู้อะ่ะชุดองค์ความรู้อะไรที่เราคิดว่า เราจะสามารถเข้ามาเหมือนกับเข้ามารับรองกันหรือว่าทำให้มันเกิดได้จริงอะ่ะเราก็ไม่เอาใครเรเอา พ, อพ่อครูไว้ก่อนพ่อครูก็ต้องเป็นหลักของเรานะครับเราลองมาดูนะพ่อท่าน ส, าสอนสามีชานะถ้าท่านไปศึกษา19เต้นทุนส9เรียกว่าอะไรนะต้นทุนทส9บเก้ีงานสิบข้อนะ มีทั้งทุ น, ทนแท้ทุนแถมทุนเสริมทุนต่างๆนะครับตัวนั้นแต่ถ้าลึกๆเข้าไปจริงๆนะถ้าท่านไปดูจริงๆในชุดไทยๆอะ่ะจะเน้นเรื่องการลดละกิเลสใช่ไหมยานามีสมาธิใช่ไหมฮะมีฌานท่านบอกฌานเป็นผลของหรือสมาธิเป็นผลของฌานนะตัวไหนก่อนฌานสมาธิ อาชาญสมาธิและอะไรนี่ท่านสอบผ่านแล้วเพราะท่านต้องดีใจแน่เลยเนี่ยทุกคนมาซ้อมกันข้างหลังใหม่นี่ยังคร่องเปี้ยเลยนี่ก็แสดงว่าเน้นการไปหาบานหรือแคบท่านเอาวิชานี้มาลงในตำแหน่งที่สอดคล้องกับวิชารามรับได้ไหมรับได้ไหม พราะทิ้งไว้ท้ายๆนี่นคือไฮไลท์นะคือตัวเด็ดนะใช่ไหมฮะตั้ง19ข้อนี่ต้องสร้างองค์ประกอบมาก่อนแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยจะเอาตัวนี้ให้สําเร็จใช่ไหมฮะตัวท้ายๆจริงไหมเรื่องเน้น เ, เรื่องโลกุตระใช่ไหมมีฌานมีปัญญามีปฏิพาณมาีสมาธิมีโลกุตระต่างๆเหล่านี้ถูกไหมครับเพาาราระนั้นเนื้อหาสาระแน่นถูกไหมฮะในเชิงวิชาลามเราสมมุติไว้ก่อนว่าเราวางไว้ตรงนี้นะสมมุติลองวางไว้ก่อน อ่ะนี้ถัดมาความรักสิมิตินาวาบุนิยมเกลือกว้างเกลือกว้านี่ต้องลดตัวเล็กลงไหมเล็กลงใช่ไหมแล้วทําประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมแม้กระบวนการกลุ่มก็ไม่ยึดกลุ่มใช่ไหมถ้าสมมตินในนี้มีสิบกลุ่มเนี่ยแล้วฉันสนใจแต่ ก, กลุ่มฉันเนี่ยเข้าคอนเซปต์เข้าแนวคิดมโนทัศนาวาบุนิยมได้ไหมไม่ใช่ไม่ได้ งั้ความรักสีมิติให้เราปลดออกระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจริงไหมครับจริงไหมสอดคล้องกับนาวาบุญนิยมไหมแนาวาคิดอันนี้ตะไว้ก่อนนะสมมุติเราจะไม่ยืนยันนะครับทีนี้พุทธชีวศิลป์พอท่านบอกว่ า, าศาสตร์นะอย่างเช่นวิชาลามเป็นาศาสตร์นาวาบุญนิยมเป็นศิลป์ แต่ทั้งสินแม้จะยกให้ในส่วนที่ว่านเหนือกว่าศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองส่วนนี้ก็ต้องเป็นอุปตโตภาคใช่ไหมต้องรวมกันใช่ไหมทั้งศาสตร์และสินนี่จะต้องรวมกันใช่ไหมถูกไหมฮะแล้วพุทธชีวศิลป์ของพระท่านเนี่ยมีรูปรอยของการเรียกว่ายัางไงดีอะทั้งทั้งกว้างทั้งลึกทั้งโอ้โหหมุนนึกออกไหมฮะหมุน อเชงหมุนรอบเชิงซ้อ น, นะครับหมุนเยอะเลยนะฮะอย่างที่ผมเคยเรียนว่าพูดจนกรนทั่งอยากให้ท่านเป็นอหรหันต์เดี๋ยวนี้เลยก็ไปได้ถูกไหมให้ตรวจสอบด้วยองค์ธรรมบนันบนี้ได้แต่เราไปได้หรือเปล่าแต่นี่คือหมายว่าชุดองค์ความรู้ของพุทธชีวศิน์มหาไหมลึกล้ำไหม<อ>เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าพอท่านวางสามวิชามา หลายท่านสงสัยนะสอนทําไมความรักสิมิติใช่ไหมเรื่องคู่ก็ผ่านกันมาแล้วถูกปะ่ะอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะว่าเรากําลังนําชุดหลักทฤษฎีออกไปสู่สังคมมันก็ต้องครบจริงไหมแต่ที่เราบอกไอ้เราทำไมเพราะเราเอาตัวเราถูกไหมเราไม่ได้เอาคนที่จะเขาไม่รู้เรื่องเลยขณะที่เขาก้าวข้ามผ่าน เ, เรื่องชีวิตคู่อย่างเงี้ยเขายังไม่ก้าวข้ามผ่านแล้วท่านก็ก้าวข้ามตัวนี้ไปพูดถึง ส่วนที่ท่านสูงกว่านี้เขาจะมีฐานตามได้ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มกลับมาให้ครบถูกไหมให้ความรู้ที่มันครบถูกไหมครับแล้วสรรค่าสร้างคนนี้เป็นต้นเนี่ยมีทุนแถมทุนเสริมอะไรเนี่ยเป็นวันนั้นแววๆหลายท่านบอกเพิ่งรู้นะว่าทุนนิยมมีทุนหลายชนิดแบบนี้ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถูกไหมครับงั้นเพราะท่านก็ให้ครบทุกอย่างทั้งนอกและในถูกไหมฮะงั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องภายนอกก็มีนอกไหน ในส่วนที่ภายในก็มีตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหมือนฝรั่งเนี่ยนะ ท, ที่เขาบอกว่าความเห็นแก่ตัวเริ่มแรกเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะเด็กที่เริ่มคลอดเลยเนี่ยแล้วค่อยๆขึ้นมาเป็นคนยังไงอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยขึ้นไปเรื่อยขยายขยายขยา ย, ย, ายและเรียนรู้ปรับไปปรับมาเรื่อยๆก็เป็นแนวคิดที่เป็นระบบนะฮะเป็นระบบโดยโดยที่น่าทึ่งนะครับเพราะว่าสังคมเขาก็ทาของเขาแต่เพราะนั้นก็ทา Ises, พอท่านชอบพูดว่าท่านไม่มีอ่ะท่านไม่มีระบบไม่มีอะไรแต่ทําไมมันพอเอาระบบแบบซับซ้อนมาเอ้ทําไมเรามีเอ้ทําไมเรามีนึกออกไหมฮะพอท่านบอกท่าไม่มีระบบอ่ะแต่พอเอาระบบมาเอ้ทําไมเรามีทําไมเรามีสี่ควอดแดนเมื่อกี้เป็นต้นเนี่ยทาไมเรามีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแต่คนที่เรียนมารลบแท้ๆถามเขาเกามีไหม ย, ยังไม่มีคนเจ้าของทฤษฎีถามเขามีไหมเขายังไม่มีนะ ตัวตัวตัวรูปธรรมตัวยืนยันเน่ยที่เป็นตัวการพัฒนาเป็นพวกนี้ยเขายังไม่มีนะเขามีบ้างบางส่วนแต่ยังครบสมบูรณ์แบบเนี้ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นใครว่าฟังเพราะท่านไม่รู้เรื่องเนี่ยทบทวนใหม่นะฮะต้องทบทวนใหม่นะทบทวนใหม่ว่าเป็นเพราะฐานความรู้เราไม่พอหรือเปล่าแต่ความรู้ท่านเนะ่ยเป็นเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่รู้เรื่องอ่ะเป็นเรื่องชนิดที่เนี่ยคนอื่นๆเขายังทําไม่ได้แต่พาพวกเราทํากันไปแล้ว แต่เราอาจจะไม่เห็นภาพรวมเท่านั้นเองนี่บ อ, อกไหมฮะแต่พอเราเห็นเขาเป็นระบบเขาก็มีภาพรวมอย่างเงี้ยตามมาเป็นขั้นๆๆ้นขนัอ้าวทำไมเรามีหมดอ่ะก็แปลว่าเราก็มีระบบอยู่แล้วใช่ไหมโสมเราก็มีองค์รวมอยู่แล้วใช่ไหมจริงไหมฮะ ย, ยากไหม ย, ยากไหมไม่ยากเริ่มไม่ยากแล้วนะเริ่มพัฒ น, นาจากสมองผูเป็นสมองผุลุนแล้วนะ เริ่มซึมซับได้แล้วนะเริ่มเป็นฟองน้ําขอเป็นฟองน้ําละเอียดละเอียดนะซับได้ดีและนุ่มนวลครับขออันที่สามนะครับทีนี้เรากำลังจะไปเอื้อกับสังคมนะครับเราจะต้องมีเรื่องอะไรที่ชุดความรู้ของมหาวิชาลามนาวา บ, าบุนิยมเนี่ยไปสัมพันธ์เราก็ยกตัวอย่างแพลตฟอร์มหนึ่งขึ้นมาก็เรื่องเศรษฐกิจบุญนิยมนะครับเราลองมาดูว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจบุญนิยมเนี่ย ก็เหมือนพี่น้องไทยจีนหรือว่ า, าพี่น้องฝาแฝดนะฮะแม่จะต่างกันแต่ก็ก็เป็นฝาแฝดเดียวกันนะครับฝาแฝด ต, ต้องเหมือนกันเป๊ะไหมฝาแฝดเหมือนเป๊ะก็มีไม่เป๊ะก็มีใช่ไหมฮะฝาแฝดชายหญิงยังมีเลยใช่ไหมอา่านะครับเพราะฉะนั้นเราลอ ง, มอ ง, ม, องมองฝั่งของทางเาศรษฐกิจพอเพียงทุกคนต้องรู้ใช่ไหมาสามวงสองเงื่อนไขได้ยินกัน ชินหูเลยใช่ไหมฮะในนี้ใครเคยได้ยินสามห่วงสองเงอนไขของเศรษฐิตพอเพียงบ้างที่เคยได้ยินกันมาแล้วช่วยยกมือหน่อยครับเอาแค่เคยได้ยินนะลึกซึ้งไม่เข้าใจเข้าใจไหมอีกเรื่องหนึ่งนะเคยได้ยินไหมอ่าเยอะนะเยอะเะเอาใครไม่เคยได้ยินเลยว่าเศรพอเพียงมีเรื่องสามห่วงสองเงื่อนไขโอ้ครึง่งดอกครึง่งอ่าโอเคงั้นทบทวนนิดหนึ่งปูพื้นฐานนิดหนึ่งนะครับคือ ท่านถือหลักว่าสองเงื่อนไขก็คือแบ่งชุดความรู้ในโลกนี้เป็นความรู้อย่างหนึ่งและคุณธรรมอย่างหนึ่งในความรู้และคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องไปด้วยกันท่านมีอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะทวงหรือทานการเน้นความรู้หรือศาสตร์หรือศาสตร์ต่างๆที่ไปจนกระทั่งเพิ่มพูนความเห็นแก่ตัวท่านก็หวังว่าการที่รู้ว่าสองเงื่อนไขนะครับ เงินขที่ประสบความเด็ดจะต้องมีทางคุณธรรมคือความพอเหมาะความสมดุลและความพอดีเข้ามาไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายนะเหมือนเหมือนพวกระดับประเทศนะ บ, บางประเทศที่เป็นห ม, มหาอำนาจเนี้ยนะ บ, บางทีคุณธรรมก็ไม่ได้สัดส่วนกันนะครับก็เกิดการที่ไปทําให้เอาทรัพยากรของประเทศอื่นในเงี้ยอย่างที่พวกเรารู้รกันเยอะแยะนะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะความสมดุลของความรู้และคุณธรรมไม่พอดงั้นท่านก็มีตัวนี้มา นี่พอมีมาแล้วสองอันนี้สังเคราะห์กันขึ้นมาเป็นยังไงท่านก็บอกเป็นสามห่วงสาห่วงันไมเพราะว่าเป็นทั้งสัตว์ใครเคยเห็นห้าห่วงของโอลิมปิกบ้างอมันมีความหมายอะไรห้าอะไรห้าห่วงคือห้าอะไรห้าทวีปใช่ไหมถูกต้องห้าทวีปแปลว่าการกีฬาจะเชื่อมสัมพันธ์ห้าทวีปก็คือตัวแทนของโลกเข้าด้วยกันถูกไหมครับงั้นห่วงจึงเป็นเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์ถูกไหมฮะ ที่ปรากฏออกมาเป็นสามเรื่องด้วยกันนะฮะก็คือสามห่วงถ้าความรู้และคุณธรรมประสานกันดีแล้วนะนะข้อแรกก็คือดูกันที่พอประมาณถ้าเสร็จอ่พอเพียงความรู้กับคุณธรรมประสานกันดีจะรู้จักพอมีใจพอใช่ไหมมีการ ม, มีการดูความชีวิตความเป็นอยู่กับการทำอะเร ต, ต่างๆเหล่านี้ก็เกิดความพอประมาณใจพอนะครับซึ่งก็ตรงกับตัว ทางธรรมเราก็ชื่อคําว่าสันโดษนะนี่พ่อท่านก็พูดเยอะนะครับสันตุติแล้วเขาก็บอกมีเหตุผลมีเหตุผลในที่นี้ต้องหมายถึงเป็นผลสําเร็จของจิตด้วยนะถ้าจิตที่โลภเนี่ยถือว่ามีปัญญาไหมเรียกเฉโกใช่ไหมงั้นมีปัญญาตัวนี้ก็แปล ว, ว่าลึกเข้ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะว่าเป็นเรื่องของจิตที่จะต้องลดละความโลภออกได้ถูกไหมนะครับ ส่วนเรื่องพอประมาณนั่นก็แปลว่าพฤติกรรมในชีวิตเราก็ต้องมักน้อยเรียบง่ายถูกไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกับเปรียบเหมือนผลของศีลถูกไหมครับนี่ผลของศีลไปฉะนั้้มีใจพอมีความนึกคิดที่สุจริตนะครับมีความซื่อสัสตย์สุจริตอย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้เรามีเหตุผลอยู่บนความเรียกว่าถูกต้องตามทํานองของธรรมถูกไหมถูกไหมฮะ อ่าโอเคก็ตกลงพอประมาณมีเหตุมีผลนะครับงั้นมีเหตุมีผลตัวนี้ถามว่าถ้าเป็นภาษาของเราเป็นแค่ rational ตักกะหรือ trans rational หมายว่าก้าวข้ามก้าวข้ามความนึกคิดเหตุผลแล้วก้าวข้ามแล้วนะนี่เป็นตัวอย่างนะฮะว่าว่าสามารถ t r a น์หรือก้าวข้ามตักกะคนที่โรคนี้ก็มีตักกะไหมมีเหตุมีผลเลยแล้วทำยังไงประสบความสเร็จ ด, ด้วยได้ผลความสำเร็จ ด, ด้วยจริงไหม แต่นี่มามากน้อยแล้วก็มาทำสิ่งที่ดีเกื้อกูลต้องก้าวข้ามตร ก, กะเหล่านั้นใช่ไหมนะครับถัดจากนั้นมาสูงสุดเลยก็คือกระจายตัวนี้ออกสู่สังคมนะครับสร้างคูมิภูมกันแล้วท่านก็มีคำอันหนึ่งที่ อ, อ, อึศุสึกพนะท่านพลเอกเปรมก็นำมาใช้เป็นคำขวัญ น, นะครับรู้รักษามาคขีให้กับชาติทางรอดของชาติต้องรู้รักษามคืคีถูกไหมถูก ูว่าสามัคคีตัวนี้จิตจิตต้องเสียสละไหม <Yeah. S 1> ปัญญาต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นที่ตั้ง oh. แต่ว่าสองอย่างนี้มาท่านบนหน้าอุปตภาคใช้คำว่าอะไรดีอุปตภาคสองอันมารวมรวมกันนะฮะ นะเขาจะเข้าใจนะฮะตัวภาคสองอย่างต้องมารวมกันนะครับมามาัน ม, มารวมแบเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่ใช่มารวมแบบเป็นสองอันมาแปะนะอามาสมานเป็นหนึ่งเดียวกันนะสมาน ร, รวมเป็นหนึ่งนี่คือคําว่าองค์รวมเนี่ยคือองค์รวมนะฮะงั้นถ้าเราจะพูดถึงองค์รวมแล้วเน้น เ, นนเนนตัวเป้าหมายผลสําเร็จนี่แล้วเนี่ยคุณได้องค์รวมไหมก็คือตรงเนี้ยคุณรวมประสานเป็นเนื้อเดียวสมานเป็นเนื้อเดียวกันได้ไหมยังก็ต้องบอกไม่ยังนะกําลังจะนะต้องเอาความจริงนะ กําลังทําอยู่เนี่ยอนาคตอันใกล้ไม่นานเนี่ยถึงแนอ่อะไรประมาณนี้นะแต่ยังไปคุยโม้ว่ายังจะไปรวมแต่ยังไม่รวมแล้วบอกว่ารวมแล้วนี่ไม่ได้นะในใ น, ในความเป็นจริงแต่อย่างน้อยเรารู้ทิศทางชัดเจนไปละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อตรงนี้รวมได้มันก็จะเกิดผลของพลังปัญญาซึ่งเกิดจากบนสองเงื่อนไขนะฮะก็คือความรู้กับคุณธรรมแต่นี้ที่ตรงนี้ที่เราต่างกันเนี่ยเป็นกระบวนการใหม่ก็คือมองความรู้นี่ใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญจริงไหม ตอนนี้ศาสตร์ในสังคมเยอะแยะเลยถูกไหมฮะถูกไหมเรามีวิชาความรู้สอนอะไรอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมถูกไหมฮะแต่ที่จะชูคุณธรรมขึ้นมาเนี่ยอย่างอาจหาเนี่ยมีไหมไม่มีอ้อมแอมไปว่ามีมาตรฐานจริยธรรมถูกไหมเป็นมาตรฐานจริยธรรมแค่นั้นเองแต่จะเป็นคุณธรรมอะไรย่งเงี้ยไม่ชัดเจนแต่ตรงเนี้ยถ้าเราทาตรงนี้ สับปะสานด้วยชุดความรู้ทางธรรมเนี่ยเข้าไปกับหลักสามห่วงสองเงอนไขตรงนี้ได้เนี่ยคุณธรรมเราจะเจริญขึ้นแนวดิ่งขึ้นได้จริงไหมเห็นว่าวันนั้นท่านหลวหน้าบอกว่าเพราะท่านทํามืออย่างงี้ใช่ไหมผมไม่ได้เห็นแต่ท่านมาทําให้ดูว่าใช่นะเนี่ยความหมายคือขึ้นอย่างเนี้ถูกไหมทีนี้เราก็ต้องไปเชื่อมมาสังคมสังคมก็พูดเรื่องจริยธรรมอ่ะละเราก็ต้องพูดจริยธรรมระดับมีมาตรฐาน ต้องไม่ต่ำกว่า ม, มาตรฐานจริงไหมในสังคมถ้าเราต่ากว่า ม, มาตรฐานจรยธรรมในสังคมเราแบกหน้าออกไปได้ไหม <Yeah. S 1> เพราะเราจะไปบอกสิ่งที่สูงกว่าถูกไหมฮะผ่านนะครับวิถีธรรมตรงนี้เมื่อก่อนใช้คําว่าศีลธรรมจริยธรรมและศีลธรรมแต่พอฟังศีลธรรมปุ๊บเนี่ยคนรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นข้อประพฤติชั่วครู่ชั่วชั่วเทศกาลหรือชั่ววันนัขัตเลิกอะไรเงี้ยเป็นประเพณีนิยมไปอย่างนั้น แล้วก็เลยพัฒนาว่าเอาเป็นวิถีแล้วกันเปลี่ยนศีลให้เป็นวิถีถ้าศีลเป็นวิถีแปล ว, ว่าศีลนั้นทําชั่วครั้งชั่วคราวหรือเป็นวิถีชีวิตเลยใช่ไหมทำอยู่ในชีวิตเราเลยนะครับตรงนี้มันจึงต่างกันอันนี้เป็นขั้นกลางถูกไหมครับแล้วพอทั้งวิธีธรรมของศีลธ ร, รรมเจดธรรมที่เราพัฒนาขึ้นมานําไปสู่พุทธคุณที่เราพูดไปแล้วนะฮะก็คุณราศีกับคุณนิธินะฮุณนิธิกับคุณณราศี อ่ะเป็นขั้นปลายนะคือการรวมกันขึ้นมาการรวมในเชิงมาในเชิงวิชารามในเชิงนาวามุนิยมยังเป็นคอนเซปต์ใหญ่แต่อันนี้ก็คอนเซปต์เดียวกันแต่เข้าไปถึงตัวยืนยันที่เป็นปัจเจกเลยใช่ไหมคุณเป็นกระบวนการกลุ่มแต่คุณก็ต้องยืนยันผลที่เกิดขึ้นในสมาชิกในกลุ่มด้วยจริงไหมในงานเขียนของคุณก็ตามในงานรายงานก็ตามถูกไหมครับถูกไหมนั่นคือสายวิทย์และสายฌานเจโตและปัญญาต้อง มีน้ำหนักร่วมกันทําให้น้ําหนักหลักฐานในงานเขียนนั้นๆเนี่ยสมบูรณ์จริงไหมครับถ้าใครไม่เชื่อมาสัมภาษณ์สินะฮะท่านใดในนี้นะไม่เชื่อคุณสาธิตบอกว่าเป็นอย่างนั้นก็ามาตามมาหาคุณสาธิตได้เลยจากวันนั้นถึงวันนี้หปีแล้วนะเพราะว่าท่านเขียนมาเนี่ยท่านจบไปห้าปีแล้ววันนี้ท่านยังอยู่หรือเปล่าที่ท่านบอกว่าวันนั้นท่านทําได้วันนี้ยังอยู่หรือเปล่าท้าทายให้พิสูจน์ถูกไหมฮะ ถูกไหมงั้นพ่อท่านบอกตรงนี้เมื่อกี้ก็พูดอยู่ตรงนี้นะฮะจะต้องพูดกระบวนการปัญหนานี้สี่ตัวนะคืออะไรที่เราสวดกันสันทิติโกแปล ว, ว่าแปล ว, ว่าน้อม็ต้องต้องมาปฏิบัติใช่ไหมสันทิติโกเห็นใช่ต้องเห็นด้วยตัวเองท่านเห็นแล้วท่านเขียนลงไปแล้ว ถูกไหมฮอาการลิโกแปลว่าเขียนแค่วันจริงในปีนั้นหรือเปล่าเออจะหลังออกมาอีกกี่ปีกีป่ปีอากาลีโกไหมถ้าอาการลีโกแปลว่าไม่เปลี่ยนใช่ไหมนี่คือปีสุดท้ายเรียกว่าทานที่4คือ t r a n s ์ฟอร์เมชัไงคือเปลี่ยนไปแล้วเป็นเป็นมนุษย์พันใหม่แล้วเป็นมนุษย์ชีวิตใหม่แล้วเออไม่เปลี่ยนกลับก็เข้าข่ายอาการลีโกใช่ไหมเราไม่ต้องอากาลีโกใหญ่นะขนาดข้ามชาติอะไรเงี้ยเอาเอาเอม า, อาแบบ ยืนยันเป็นหลักฐานเนี่ยท่านก็มีความแน่นอนอคุณจาธิตไม่แน่จริงท่านเขียนอะแต่ถ้าท่านเขียนท่านคงแน่นะใช่ไหมฮะก็ไม่กลัวในเรื่องอาการิกโกถูกไหมฮะโอปันยิโกแปลว่าอะไรฮะไม่ใช่โอปนยิโกป่ะไม่ใช่ก่อนนั้นเป็นต้องอะไรเอหิปติโกแปลว่าแปลว่ า, วาท้าทายไงที่เมื่อกี้บอกไงเราประกาศออกไปเนี่ย เป็นเอกสารเนี่ยนะหลักฐานนะกี่ปีกี่ปีท้าทายไหมจริงหรือเปล่าถึงบอกอย่าไปเขียนเล่นนะอย่าไปเขียนเล่นนะท่าน ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีจริงแค่ไหนของแต่ละกลุ่มแต่ละท่านยังไงเอาแค่นั้นพอนะีไม่ต้องคิดว่าเราจะโชว์หรือว่าจะอยากจะให้ตัวนี้โอ้เหมือนเหมือ น, นอะไรอะเหมือนพรุที่มันเต็มทองฟ้าสวยงามไม่ไม่ต้องนะอันนั้นเป็นแบบฝันหรือเป็นแบบเชิงแนวคิดไม่เอาเอาความจริงนะในงานเขียนเราจะต้องมีความจริงเพราะข้อสามนี่แหละท้าทายใมามีสูจนแล้วทั้งหมดโอปันยิโกเขแปลว่า ก็แปลว่า <S <S ท่านอยู่ในครบกระบวนการสุจิปุลิใช่ไหมถ้าถึงขั้นนี้กล้าจะลิขิตออกมาไหมถ้าไม่ถึงนี่กล้าจะลิขิตออกมาไหมอ่าเระั้นครบท้อมกระบวนการพัฒนาตรงนี้ของพ่อท่านเนี่ยฝากบอกมาว่าบอกย้ำมา ก, กับผมเนี่ยว่ากระบวนการนี้เป็นไปตามลำดับอย่างนี้แหละงั้นเวลาการนำเสนอก็ขอให้เป็นความจริงตามลาดับอันนี้ เราเรียนฟังปุ๊บเราไปโอปจญนิโกเลยไหมเอหิปัจิโกเลยไหมท้าทายไหมอ่าเรายังมีสี่ปีนะฮะอย่าเพิ่งรีบท้าทายเกินไปเอาเอหิปัจิโกก่อนเห็นเห็นจริงนะเห็นจริงตามนี้ว่าเรามีนะแล้วนำเสนอเราค่อยๆไปนะครับต ร, นนะตรงนี้ชัดเจนนะตรงนี้ชัดเจนนะเออไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใจเร็วด่วนได้นะครับข้อขอภาพถัดไปครับอ่าอันนี้ลึกนะฮะขออนุญาตเ ข, าข้าความลึกนิดนึง ชาวบ้านฟังกันว่ารู้รักสามัคคีนี่ฟังแล้วเป็นไงฉ้นเป็นเพื่อนกันก็รู้รักสามัคคีแล้วใช่ไหมใช่ไหมมาเรียนอยู่ที่เดียวกันก็รู้รักสามัคคีถูกไหมฮใครๆก็รู้ใครๆก็เป็นอนะ่ะถูกไหมฮะทานสัตว์ยังแผ่เมตตาให้สัตว์เลยรักสามัคคีไหมรักสามัคคีไหมเขาคิดว่าเขารักสามัคคีกับเพื่อนสัตว์นะเพราะการแผร่เมตตาช่วยให้สัตว์ไปเกิดได้ได้เป็นบุญที่มาช่วยให้เขามีชีวิตเนี่ยเขาแบ่งบุญ ยังไงไม่รู้นะครับตรง น, นงนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่เราลงลึกนะเราลงลึกเราลงลึกยังไงถ้าเรามามองลึกนะฮะว่าสามมิติตัวนี้เนี่ยรู้รักสามมิติเนี่ยถ้ามองแบบในเชิงระบบนะครับเชิงระบบแบบความเป็นระบบซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนกันลงมาเรื่อยๆเนี่ยสามารถอยู่ในโครงสร้างสามเหลี่ยมได้มันก็เกิดความเชื่อมโยงกันใช่ไหมฮะ<ภ>เป็นระบบเล็กหรือระบบย่อยในระบบใหญ่ถูกไม ถ้ามันอยู่ในโครงเดียวกันนึกออกไหมฮะอันนี้มีปรากฏการในใ น, ในธรรมชาตินะคือใครเคยรู้เรื่องหรือเห็นภาพเกิดหิมะไหมเกิดหิมะที่เป็นรูปคล้ายๆแฉกแฉกแฉกออกมาเนี่ยเคยเห็นไหมออแล้วปรากฏว่าเขาไปเขาไปเาไปเหมือนก็ไปส่องกล้องมานะแพทเทิร์นในส่วนที่เป็นส่วนย่อยในตัวแฉกแฉกเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแฉกแบ่งเหมือนกับไอตัวใหญ่นะแต่ไปอยู่ที่ปลาย มายว่าค่อยๆแยกแตกออกไปมันอยู่ในโครงสร้างเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติมีความเป็นระบบของสิ่งมีชีวิตอยู่นะเพราะฉะนั้นในเชื้อนามธรรมเราถ้าเรามีความเชื่อมโยงเป็นทักษณะสามเหลี่ยมตัวเนี้ยไตจิกขาของเราตรงเนี้ยนะสามเหลี่ยมตรงนี้มาก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงนะครับงั้นกลับมาตรงนี้อันนี้ลึกนิดนึงอาจจะอาจจะลึกซึ้งหน่อยนะครับ ถ้าเรามองว่าการรู้นี่คือการรู้ที่เพราะนี่เป็นผลแล้วนะการรู้นี้สามารถเห็นได้แม้กระทั่งกายไหมพฤติกรรมทางกายปรากฏไหมถ้าไม่ปรากฏจะเรียกรู้รักสามัคคีไหมชัดเจนนะรักคือจิตรู้รักสามัคคีท่านแกล้งรักได้ไหมท่านต้องมีใช่ไหมแล้วจะมีรักได้ไหมถ้ายังเห็นแก่ตัว ก็ต้องพัฒนามาจากตัวรู้คือกายก่อนใช่ไหมกายกรรมใช่ไหมฮะพอรักก็เป็นมนโนกรรมใช่ไหมแล้วก็ต้องสร้างสร้างขึ้นมามีเกิดใช่ไหมฮะสุดท้ายท่านขึ้นไปถึงวิญญาณที่จะสามัคคีจริงๆจึงจะเชื่อถือได้ใช่ไหมว่าสามัคคีเนี้ยเข้าถึงธรรมถูกไหมเป็นไปตามหลักธรรมใช่ไหมครับแล้วเผลอมีสายฟ้าฟาด แป๊บลงมาอ่าอันนี้เป็นจินตลีลาเล็กน้อยนะครับอย่าซีเรียสนะครับเพราะนี่เป็นศิละปะนะเรามหาวิชาลามนี่แนวศิละปะนะฮะอย่าอย่าซีเรียสในเชิงนิยามหรือในเชิงความเป็นศาสตร์นะฮะสมมว่ามีสายฟ้าฟาดแป๊บมาที่คําว่าสามอักขีเนี่ยเกิดการแตกตัวออกระหว่างคําว่าสามกับอักคีท่านท่านพอนึกออกไหมสามคำหนึ่งแล้วอักขีคำหนึงมาแล้วพอมารวมกันมันก็ อักก็ไปอยู่ในตัวมอมม้าก็เลยเป็นมัคคีนี่ออกไหมพอพันึก์้าออกใช่ไหมฮะสายฟ้ามาปราบมาเนี่ยน้ำแตกออกเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนประมาณนั้นเนี่ยเป็นไปได้ใช่ไหมอ่ะโอเคเราก็เข้าสู่สามอักคีใช่ไหมสามอักคีเนี่ยเป็นหลักของมหาวิชาลามนาวามุนิยมในระดับปริญญาตรีเลยนะเพราะบอกแล้วว่าการ วิเคราะห์สังเคราะห์ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเน้นอยู่ที่ตัวสี่ทฤษฎีของผู้เจ้าที่สอนภาณนภายในสามและสี่เดือนได้พระอาหารหันต์เป็นน้าพันคือพันกว่าองค์ขึ้นไปหละนะฮะทฤษฎีนี้ได้พระอาหารหันต์หนึ่งพันเพราะเป็นชดินสามพี่น้องสอนเรื่องนี่ฮะราคาคคิโทสะคิคมุหะคิค เคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินยกมือไหนครับนิทานเรื่องนี้โอ้ไม่ถึงครึ่งเลยเนาะแล้วท่านอื่นไม่เคยได้ยินเลยเหร อ, อร <laughs> มันจะเวลาน้อย เ, ย <laughs> เอาคร่าวๆแล้วกันนะว่าว่าพระองค์ก็หลังจากปรดปัญจกวกขี่แล้วแล้วก็พยาศไปแล้วนะฮะได้ประมาณหกสิบแล้วก็มีรู้สึกจะเป็นคารวะอีกสามสิบนะฮะผมจําชื่อกลุ่มไม่ได้นะครับ แล้วก็มาท่านก็มาโปรดเจดินสามพี่น้องนะครับเจดินองค์แรกคือพี่เนี่ยก็คือห้าร้อยนะครับก็มาที่พอเข้ามาเนี่ยปกติตามหลักของเจดินเนี่ยไม่ร้อนรั บ, ไ ม, รบไม่ตอนรับนอกนึกออกไหมวันเชื้อชาติวรรณะความบริสุทธิ์อะไรหลายอย่างนะขนรมรำเนียมไม่รับพระเจ้าก็ถามบอกอแล้วมีที่ไหนอ่ะที่พอจ ะ, อ, ะอาศัยเดี๋ยวท่านก็จะไปท่านก็บอกมีมีอยู่ในโรงหนึ่ง นะแต่โรงนั่นมีไฟนะแล้วว่ากันว่ามีพญานาคนะท่านเสี่ยงชีวิตนะไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่นะบอกไว้ก่อนนะ เ, เดี๋ยวจะหาว่าแกล่งหรือว่าอะไรไม่ใช่พระองค์ก็ขอบคุณที่ที่ที่ทอ่าแล้วท่านอนุ ญ, ญาตไหมล่ะอ่าท่านพระองค์ก็ยืนยันกลับไปแล้วถ้าถ้าท่านจะอยู่ท่านอนุ ญ, ญาตไหมอ๋อถ้าท่าน เสียงชีวิตตัวเองแลไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีปัญหานะก็ให้อยู่ปุ้งก็เข้าไปในกระตูนนะนี่เรื่องจริงเลยไม่รู้แต่ตามกระตูนที่ก็เผยแพร่ออกสู่สังคมก็บอกว่ามีพญานาคจริงๆนะเห็นไฟสว่างเลยนะทางชดินพี่ก็ว่าโอ้หวานแล้ะตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วเป็นอาหารวงพญานาคไปแล้วอะไรประมาณนี้นะพอเช้าขึ้นก็เข้าไปดูเออ เรก็เห็นมีหม้อใบหนึ่งแล้วก็เห็นพญานาคกลายเป็นตัวเล็กเลยอยู่ในหมอ้อหรือบาทไม่แน่ใจไม่แน่ใจตกใจเลยตายแล้วพญานาคร an ิดเยอะทําไมกลายมาเป็นจัดเล็กจัดจัดการ์ ต, ร ต, รรตูนอยู่ในบาทหรือหมอ้อไม่แน่ใจนะตรงในในภาพเน้นๆ เ, เห็นไม่ชัดก็บอกโอองค์นี้ริดมากโอ่งนี้ริดมากแต่ยังไม่ใช่อาลันอย่างเราเหรอกนี่ตามจำนวนในในการ์ตูนเลยนะแต่ยังไม่ยังไงก็ไม่ใช่อาลันอย่างเรา แล้วถ้าก็เจอการทดสอบเนี่ยอีกหลายอัานมีน้ําท่วเมเอ้ยมีอะไรเอ่ยนะฮะสุดท้ายอะไรต่างเหล่าเนี้ยโอ้สุดท้ายก็ก็ยังบอกอย่างเงี้ยครั้งที่สามที่สแล้วบอกแต่ยังไงไงท่านก็ไม่ใช่อารหันอย่างเราว่างนันนะนะสุดท้ายพระท่านก็พระพุทธเจ้า ก, ก็เลยถามว่าแล้วอารหันของท่านนเป็นยังไงเขาก็ว่าไปพรุทธเจ้า ก, ก็บอกอารหันเป็นอย่างนี้อ่ะก็เทียบเคียงกันนะพอฟังเข้าไปปุ๊บมีปัญญานะเป็นอาจารย์ถั้งร้ออ่ะ โอ้ใช่ใช่เลยอันเนี้ยอาหารหันแบบเนี้ยใช่กว่าแล้วแล้วยอดมากเลยนะคือไม่มีมานะใช่ไหมตอนที่บอกยังไงไงัไม่ใช่อาหารหันมันคือมานะสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่แต่จริงจโดยฝีมือยอมไปแล้วเพราะว่าตัวท่านเองยังไม่กล้าเข้าไปอยู่ในโรงนั้นเลยแลแปลว่าเข้าไปก็ไม่แน่มันก็จะถูกไปปริญาหนักหรือเปล่าก็ได้แต่บูชาใช่ไหมอันนี้มันแสดงฤทธิ์ที่ยอมกันอยู่แล้วข่มกันอยู่แล้วนะะ ก็สุดท้ายก็เป็นอันว่าราคาคิกโทสศัพท์คลิกมอือ ก, ก็ทํางานท่านก็เป็นอหรหันต์แล้วก็500ด้วยนะพร้อมสานุสิตเนี่ยผมถึงบอกว่าพระสูตรบทนี้เหมาะกับชุมชนผู้ปฏิบัติธรรมชฎีนสามพี่น้องเนี่ยเป็นตัวแทนของชุมชนผู้ปฏิบัติธรรมเลยนะเพราะว่าปัจจวบันขีก็เป็นนักบวชปัจเอกเนาะตึงจะมี5้าคนพระยศาศักุลบุตรก็เป็นแค่คารวะในกลุ่มไฮโซนึกออกไหม แต่มีรูปแบบรูปรอยของชุมชนแบบธรรมเป็นบัตเชดินสามพี่น้องเนี่ยแสดงพระเจ้าเลิงมาที่ชุมชนผู้แปรธรรมก่อนเลยนะแล้วสําเร็จทีนึงเนี่ยมาสามพี่น้องพี่น้องคนโต ก, ก็ห้าร้อยคนกลางก็สามร้อยคนเล็กก็สองร้อยนะคนเล็กเนี่ยมองในอังกรตูนบอกเห็นรอยถาดมาตกใจนึกว่าเป็นอันตรายนะ ถูกโจรภัยหรืออะไรหนางทาลายรีบพาพักพวกมาเผื่อจะช่วยนะหรือเยียวยาหรืออะไรพอมาเจอทุกคนเป็นชุดนักบวชหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่พี่ก็นะเป็นน้องเล็กนะมาเลยรีบมาอาจารย์ของพี่บวชตโลกอีกสองร้อสุดท้ายง่าย200รอสุดท้ายยังรู้สูงไม่ต้องทําอะไรเลยเพรเห็นพี่ต้องไปต้องเท่าไหร่แล้วอ่ะสระ 500บกร้อยแดร้อยแล้วนะ0ร้อจะเหลืออะไร <c oughs> ก็ไปอย่างเร็วเลยก็ตกลงก็ได้สมนะฮะงั้นทฤษฎีนี้พันไม่ใช่เล่นๆ น, นะงั้นถ้าเข้าใจราคะคิกโทสะคิกมหะคิกนี่ท่านเข้าสู่พลังวัดชั้นสูงเลยนะของพระเจ้าหมุนจิตวิญญาณ น, นับพันขึ้นมาเป็นอาหารในเวลาไม่นานนะแล้วจากนั้นเดือนที่สี่จริงไปพบกับพระเจ้าอาชาศัตรูป่ะ ที่จะน่า15จะ8ใช่ไหมนะอันนั้น่ะท่านมาถามท่านไปพบท่านไปพบอาจารย์หกสำนักใหญ่ละแล้วถามคำถามเดียวกันนะท่านนี้เป็นนักวิจัยชั้นยอดเนยนะถามด้วยคำถามวิจัยเดียวกันหมดใช่ไหมอ่าที่ที่ที่ข้าพ่อข้าพ่อฮะ ใช่ไหมอ่าแล้วก็มาถามพเจ้าเอาโดยย่อนะอันนั้นก็ท่านทศสอนจารย์สิบหเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านแปดเป็นวิชายกจากระดับชุมชนไปสู่ระดับสังคมเพราะท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะแล้วท่านสเปกมาว่าไม่ใช่แค่หม่อมชันนะไม่ใช่ระดับเชื้อพระวง์ไม่ใช่แค่อ ม, มาตนะไม่ใช่ปุโรหิตเพราะเหล่านี้มีปัญญาต้องไปถึงพลทหารแล้วไม่ใช่แค่พลทหารนะต้องไปถึงชาวบ้านแล้วชาวบ้านไม่ธรรมดานะอย่างเช่นแม้กระทั่งระบุเลยถ้าท่าผมจำไม่ผิดเนี่ยช่างตัดผมเป็นต้นนะ หรือช่างซ่อมอพวกจักรสารหรือเครื่องกลอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเครื่องเครื่องยานเครื่องอะไรเงี้ยเป็นแบบไม่มีความรู้สูงอะ่ะต้องสามารถใช้ชุดความรู้อะไรที่สามารถจะทำให้เกิดความเจริญท่านก็ให้ชุดความรู้จากซมาจากแมานะเพราะฉะนั้นชุดนี้เป็นชุดใหญ่อยู่เรียนอยู่ในปริญญาโทนนะเนั้นปริญญาโทนี้แปลว่าท่านยกระดับชุมชนเป็นระดับประเทศนะสังคมสู่ประเทศนะน ะ, ะต้องอ่านหานอย่างนั้นนะ อ้าตอนนี้เอาชุมชนก่อนเราอย่าเพิ่งไปไกลอย่าเพิ่งฟันไกลนะครับแต่ให้รู้ว่าฤทธ์นะธรรมฤทธ์ของพระธรรมของพระองค์ก็ต้องเอาตำนานเข้ามาประกอบว่าไม่ใช่เล่นๆอันนี้ไม่ใช่เล่นๆมีจริงแล้วเกิดขึ้นมาแล้วจริงนะแต่ที่ยังไม่จริงเพราะจุดๆๆพวกเรา<笑><笑><笑><笑>ก็ต้องพักเพียรหน่อยแลนะใช้เวลาเหมือนกันเนี่ต่างกันตรงเวลาท่าตัวแปรท่านเร็วพ้อปุ๊บๆท่านก็ต้องไปทํางานแล้วใช่ไ่มท่านก็สําเร็จกันมา แต่ของเรามีเวลาสั่งสมแปลไปนะครับก็ให้ความมั่นใจกันมานี้ทีนี้ประเด็นอยากจะทูตรงนี้ว่าเราเข้าใจอักขีของพูเจ้าเนี่ยแนวตื้นน่ถามจริงๆ่ไปในโทสะราคะโมหะอะไรเงี้ยปุตุชนมีไห ม, มเดือดร้อนเพราะไฟไห ม, มถ้าพูเจ้าสอนอย่างนี้ทำไมทุกคนไม่เป็นอหรหันต์่ะ นั้นคำสอนต้องไม่ใช่อยู่แค่นั้นจริงไหมแต่ทุกวันนี้เราพูดถึงราคะคิกสามละราคะคิกโทสะคิกโมหะคิกเราก็พูดถึงไฟใช่ไหมให้กลัวไฟใช่ไหมใช่ไหมแต่ผุุ้ชนมีเต็มไปหมดเลยมีมากกว่าเราด้วยควรจะบรรลุเร็วกว่าเราสิพราะร้อนกว่าคนร้อนกว่ า, ก, วาก็ต้องเอาออกก่อนเร็วกว่าจริงไหมไม่ใชอ่อันนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตไงว่าจริงๆทีเ่เขาเห็นเน่ยเขาเห็นสาราคะศาโทสะสาโมหะทั่วไป มีมีราคะมีโทสะมีโมหะใช่ไหมการที่ประกอบอยู่แม้รู้ตัวจะราคะนี่คือรู้นะแต่รู้แล้วออกได้ไหมส่วนใหญ่นี่แสดงว่าไม่รู้สึกร้อนใช่ไหมแล้วเราพูดตามพระวิสัยนะแบบนักวิทยาศาสตร์หรือนักศึกษานะอย่าเพิ่งบอกว่าเออพระเจ้าว่าอย่างนี้พระไตรปิฎกว่าอย่างนี้เนีเราเราเราเป็นนักศึกษาเราต้องต้องวิเคราะห์นีไม่ใช่ต้องไม่เห็นแล้วจริงๆในพระสูตรอื่นเราบอกว่าจมอยู่ในวัฏสงสาร จมอยู่ในมหานบใช่ไหมว่าอยู่ในมหานทีแห่งวัดต่สงสารไม่รู้เท่าไหรต่อเ ท, ท่าไร่จมน้ำสาราคะสาโทสะสารมหาเนี่ยจริงๆคือจมน้ําใช่ไหมจริงไหมงั้นท่านสอนราคะคิโทสะคิโมหะคิกเนี่ยท่านต้งสอนในแง่ของวิตตราคะวิตตโทสะวิตตโมหะจริงไหมและในนั้นบอกไหมทั่วไปมีบอกไหม นะแต่ถ้าเราพูดถึงสูตรนี้นะสามัคคีโดนป้าผ่ามานี่ต้องพูดพระสูตรพระเจ้าบทนี้ทําไมถึงทำไมถึงได้เป็นพันก็บิตาลักะบิตาโทสะบิตาโมหะก็ออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมบิตาคือออกใช่ไหมที่เราเรียนกันใช่ไหมแต่ออกอยังไงโอเคเราไม่ต้องลงลึกแต่เราเร า, เราจะม า, เร า, ะมาเราจะมาศึกษาลึกลึกซึ้งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าเห็นชัดแล้วนะว่าเราจะเข้าใจในคําว่าเนขามัสิตะ กับเคหะจิตตะเคหะจิตตะคือคือจมใช่ไหมแต่จมตรงนี้ไม่ใช่จมแค่บ้านนะเคหะหรือเคหานี่จมแบบในาภายในวาดองศาเลยนะใครเคยได้ยินไหมจมในมหาสมุทรมหานิถีเป็นกี่กับกี่กันอสงไข่กับอะไรกันอยู่เนี่ยเพราะมันเย็นคนรู้สึกจมอยู่นะมันเย็นมันเย็นใจใช่ไหมแต่ทุกเท่าไหรก่ก็โอเคก็ยอมนีแต่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมีปัญญา งั้ไฟตรงนี้จึงเป็นไฟปัญญาจริงไหมถ้าเป็นไฟร้อนไฟมันไม่อยู่ในน้ําอ่ะไฟมันจุดในน้ําได้ไหมงั้นคุณจะไปสร้างปัญญาในาน้ําได้ไหมวีตละคะวีตโทสะโมหะเป็นไฟปัญญาจะไปอยู่ในน้ําได้ไห ม, ไมเกิดไหมก็ทุกวันนี้จะให้เกิดในนั้นน่ยใช่ไหมก็พิจารณาว่า ราคาคิดโทสะคิดโมหะคิมันร้อนนะอืแต่ไม่ได้บอกว่าออกอยังไงตกลงก็ท้าก็ไปบอกตอนที่ยังอยู่ในน้ําใช่ไหมแล้วเห็นว่ามันร้อนใช่ไหมจะได้ออกจากน้ําใช่ไหมแล้วมันเห็นว่าร้อนไหมเ <c oughs> นี่ยนี่คือคื อ, ค, อ, ค, อคือการศึกษาระบบการศึกษาเนาะให้ให้ให้ข้อมูลตื้นแค่เนี้แต่นี้ตอนที่จะออกมาเป็นวิตาราคาวิตาโทสะวิตาโมหะเนี่ยแค่พูดไหมหรือต้องปฏิบัติ แล้วในชุมชนผ Chinese, it, ู้ปฏิบัต in ิของชดินเนี <Senin diferente> ่ยเขาปฏิบัติอยู่ป่ะเขาปฏิบัติอยู่แล้วจริงไหมเหมือนเราชาวโสดปฏิบัติอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อนําคําสอนวิตาลัคขวิตาโทสะวิตามหามารับเร็วไหมเพราะมีอะไรนี่ไงที่ีข้างนอกไม่มีอ่ะข้างนอกมีปฏิบัติไหมส่วนใหญ่นี่เราไม่ได้ว่าใครเนาะเราพูดถึงมาตรฐานสังคมทั่วไปมีไหมมีสอนไหมมีพาปฏิบัติไหม จริงจงจังๆอันนะแบบต่อเ น, นื่องเป็นวิถีชีวิตด้วยนะมีไห ม, ไมแล้วเขาจะออกได้ไหมอ่ะหายสงสัยยังหาสงสัยยังว่าทําไมบอกทําไมคนโบราณเขาฟังแล้วเขาออกกันเร็วเหลือเกินใช่ไหมัมรรลุเร็วเหลอเือเกินแล้วก็บอกไว้ว่าของเก่าเออเราไม่เก่าแล้วก็เกิดมากี่สัตว์ไอ้กี่อสงไขยกลับแล้วเนี่ยไม่เก่าไม่เก่ามั้งเหรอ เียจะแม้ทุกจิตว uh ิญญาณประมาทไม่ได้นะบางคนก็เกิดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วทําไมไม่เพราะว่าขาดชุดความรู้ปฏิบัตินะชาวโศกมีชุดความรู้ที่เป็นบิดาลัทะวิตาโทสะวิตาโมหาไหมมีไหมจะว่าด้วยศีลมีไหมจะด้วยว่าด้วยการปฝึกเสียสละมีจิตใจอาสามีไหมถามว่าคนที่มีจิตใจอาสาก็เห็นอกเห็นใจใช่ไหมใครเห็นอกเห็นใจเพื่อนได้มาก โทสะมากหรือโทสะน้อยอมันรู้จะชัดยังไงคนนาวาบุญยมสังเกตได้เลยนะโทสะลดหรือเปล่าถ้านาวาบุญยมช่วยคนได้เยอะนี่โทสะลดหรือเปล่าดูเลยนะ <c oughs> อ, <c oughs> อใช่ใช่ใช่เราผลได้เยอะได้ขึ้น <c oughs> นี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ไหมมันเป็นเหตุเป็นผลกันไหมแต่เป็นเหตุเป็นผลแบบทรานะคือก้าวข้ามนะ แต่ถ้าจมอยู่ในนั้นเนี่ยทาร์นไหมเป็นเป็นเป็นตักกะราเชนโนอยู่ในเนี่ยราคาโทสะโมหะฉันรู้ว่าสาราคา่าใครก็รู้ว่าฉันรู้ฉันมีราคาฉันโกรธอยู่เนี่ยจเจ้าพังต่อสับแล้วฉันก็รู้ฉันมีโทสะสาาโ ท, ทส ะ, ททสะก็รู้ใช่ไหมะสะมหาโมหะก็ยังหลงเป็นอยู่อย่างเงี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าชีวิตแล้วชีวิตเล่าก็เขามาแหย่ผมก็ควรจะรู้ที่ผมเป็นอย่างนี้เขาควรจะไม่แย่ผมสาโมหะไหมแบบนี้เขาพูดย่นี้เป็นสารโมหะไหม แทนที่ปรับตัวเองโทษเขาอ่ะเขามาแย่ผมอ่ะผมเป็นอย่างนี้น่าจะรู้สิ <laughs> สะโมหะเต็มเมเลยใช่ไหมใช่ไหมฮะอย่างี้ถ้าท่านเอาคำสอนลาคะคิดโทสาคิดมหาคิดมาฟังจนสิบปี20สิบปีจะเกิดอะไรขึ้นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงพระสูตรบทนี้นะเราก็บอกว่าบิตลาลัคะบิตาโทสะบิตาโมหะก็คือใจศิกขา ถ้าเรายงกลับมาอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมไแล้วอโศกมีไหมตจสิกขาถึงขั้นเข้าถึงจิตเป็นขั้นอธิเลยมีไหม ม, มีปัญญารู้ชัดที่จะไม่ไปมีพฤติกรรมละอใบมุขถือศีลได้ไหมไท่านมีเรื่องเขียนไหมให้สังคมมีเรื่องเขียนไหมท่านมีเรื่องเขียนไหมกลัวไหม ง่ายไหมแหมแรกๆท่านบอกยากนะแล้วก็เริ่มบอกไม่ง่ายตอนนี้เริ่มบอกง่ายแล้วนะนะแค่สามชั่วโมงนี่ท่านเริ่มอันนี้จังมาแล้วนะเริ่มเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะเริ่มมีคารู้สึกว่าง่ายแล้วนะก็ไม่ง่ายได้ไงท่านทํามาแล้วทั้งหมดแล้วแล้วเอาปีเดอาสิเนี้ออกมาก็มาเรียนเสริมนิสหน่อยว่าวิธีการเขียนตามทังคมก็เป็นยังไงท่านเรียนมาสามสี่สิปีทําอันนี้ยากมาเรียนรู้วิธีเขียนก็หน่อยเนี่ย ให้เวลาทั้งสี่ปีเนะี่ยยากไห ม, ไมใครว่า ง, ง่ายยกมือหน่อยใครเห็นหมฉันมีทางสําเร็จแน่เลยให้ทั้งสี่ปีให้เวลาเขียนฝึกเขียนทั้งสี่ปีนะเออบางคนยังเหนียมเนยมอยู่แต่เริ่มรู้เร า, เราลําไำลายแล้วว่ามีหวังเห็นสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะครับฟังฟังดูเหมือนกับเราเลื้อมานานเดี๋ยวความจริงไม่มีอะไรเลยนะครับเรามีของที่ข้างนอกที่เขารู้เขียนเก่งเขียนไม่ได้ นะครับเขาเขียนเขาก็นั่งเทียนหรือเขียนไปก็อ้ออ้อมแอมในความที่มีหิโดตะปะมันก็อ้อมอ้อมแแต่เราเขียนเนี่ยเราจะปันธงแถมต้องบอกเบาๆหน่อยนะเบาๆหน่อยใช่ไหมปัญญาตีขอแค่สัมมาอาชีวะเนาะอย่าพึ่งไปสัมมาสมาธิความจริงมีรู้สูงกว่านี้ใช่ไหมแต่เราขอโชว์สังคมเอาเบาเก่อนสัมมาอาชีวะ5นะฮะแล้วก็เป็นมนุษยพัฒนาบรรณเก้าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เดินระบบ การศึกษายัางเป็นประบบได้ยังไงแค่นี้สั่นสะเทือนไหม impact อะ่ะอิมแพกเคยเห็นไหมหนัง impact เนี่ยมีดาวอุกกาบาตมากระแทกโลกอะไรเาเรียกอิมแพกนึกอินเดียนการออกไหมฮะหนังเรื่องอิมแพกเนี่ยก็คือเรื่องอุกบาตมาถึงขนาดเป็นเขาถือว่าจะเป็นวันจินโลกเลยอันนี้เราวันกําเนิดโลกใหม่นะครับนีแค่นะฮะแค่แผ่นนี้นะครับอ่าเราไปไปแผ่นต่อไป อันนี้คือเบสิกนะแต่ว่าพอแผนนี้เริ่มเริ่มให้ท่านไปต่อยอดละ ว, ว่ามันจะมีความลึกล้ําหรือว่าเริ่มพิสดารรายละเอียดออกไปในเชิงธรรมะที่ลึกซึ้งลึกขึ้นขึ้นอย่างไรพูดเป็นเชิงหัวข้อนะยังไม่ลงลึกนะครับทั้งหมดนี้เราเพพูดถึงชีวิตมนุษย์ใช่ไหมธรรมนิยาม5้าก็เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นชีวิตพอเป็นชีวิตมนุษย์กายจิตวิญญาณเป็นตัวหลักจริงไม่จริงชีวิตมนุษย์ไม่มีกายมีไหม มีกายไม่มีจิตมีไหมไ ม, ม, มีกายกับมีจิตไม่มีวิญญาณเป็นประเภทเมีวิบากนะหมายถึงว่าหยุดพัฒนาระดับหนึ่งถูกไหมฮะอย่างนั้นเนะี่ยวิญญาณก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมก็แปลว่าอะไรกายจิตวิญญาณสมบูรณ์ไหมชีวิตจะไปสู่ระดับโลกุตละได้ไหมไม่ไ ด, ไได้เพราะฉะนั้นจุดความรู้นี้ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขสาธารณะนะนะเหมือนที่ท่านเคยบอกว่าเกิดมาก็ยากใช่พบพพุษธาก็ยากฟังทำสัต์บรุษก็ยากใช่มแล้วอะไรข้อสุดท้ายเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติเห็นไหมแต่พวกเราผ่านหมดทั้งสี่ขั้นแล้วะ แล้ท่านจะไม่มั่นใจว่าท่านไม่มีอะไรจะเขียนใครมั่นใจว่ามีอะไรจะเขียนช่วยยก ม, มือหน่อยโอ้คราวนี้เยอะกว่าเพื่อนช่วยกระนาไม่เหนียมหน่อยได้ไหมถ้าท่านมีแล้วช่วยกระมาไม่เหนียมหน่อยไหให้โอกาสยกอีกครั้งน ะ, ะ่ผมเห็นบางคนเริ่มยกขึ้นมาอีกครั้งนขอบคุณนะขอบคุณบางครั้งเราถือว่าเป็นการศึกษานะากัน การเนี่ยเ่นี้อัดวิดีโอนะท่านไม่ใช่ไม่ใช่เจตนาเพื่อจะโชว์แต่ให้ยืนยันเป็นหลักฐานนะว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนะฮะการศึกษาอันนี้เนี่ยมีมีภาวะวิสัยรองรับมีตัวบุคคลยืนยันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูต่อเพราะฉะนั้นเราก็รู้ละกายจิตวิญญาณเราจะพัฒนาได้เมื่อกี้นี้ก็ผ่านไตรสิกขาถูกไหมฮะยกตัวอย่างที่เมื่อกี้ผ่านอ่ วิตาลักขะวิตาโทสะวิตาโมหะมาแล้วนะอันนั้นเกี่ยวข้องกับกายจิตวิ ญ, ญญาณโดยตรงเลยนะฮะี๋ยย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมพอดีผมไม่ได้โยงกายจิตวิ ญ, ญญาณนะที่เป็นวงกลมสีน้าเงินเห็นไหมฮ ะ, ะกายที่อยู่คับแคบหน่อยกายนะฮะจิตก็ใหญ่มาหน่อยวิ ญ, ญญาณก็กว้างมาหน่อยเพราะฉะนั้นได้ว่าไปแล้ววิตาลัคะเนี่ยต้องก้าวข้ามกายไหมลัาคขะส่วนใหญ่มาจากประสาทสัมผัส5้าใช่ไหมจริงไหมฮะ เพราะฉะถ้าท่านวิตตาระคาท่านก็ต้องทรานสือก้าวขําธรรมชาติของกายทั่วไปถูกไหมท่านต้องวิรัสขึ้นต้องอพัฒนาขึ้นเรื่อยๆลดเป็นวีตะลงไปได้จริงไหมครับแล้วจากนั้นโทสะโ ท, ส ะ, โทสะเกิดขึ้นที่กายหรือที่จิตมีใครกายเต้นเเล่าโทสะอาการสั่นพากินสั่นวันนี้โทสะมีไหมมีไม้ม ไม่มีจิตกําหนดอนะกายมันสั่นเองโทสะขึ้นเองเนี่ยมีไหมพากินสั่นป่วยไม่ใช่จิต <c oughs> ไม่ใช่โทสะเนาะไม่ใช่นะผิดปกติสั่นอย่างนั้นผิดปกติแล้วนะครับไม่ไม่นับนะครับไม่งั้นฐานโทสะก็อยู่ที่จิตงั้นถ้าจิตท่านเอื้อเฟื้อเสียสละอย่างที่เมื่อกี้พูดแล้ว <c oughs> แปล ว, ว่าท่านก็ก้าวข้ามหรือพัฒนาผ่านจิตที่สูงขึ้นดีขึ้นจริงไหมจริง <c oughs> ไหมครับอ่าเพราะพอท่านสั่งสมราคะที่เป็นต้นเหตุโทสะที่ แสดงหลักฐานท่านแล้วว่าท่านพัฒนาขึ้นจริงพัฒนาขึ้นจริงโทสศน้อยจริงไหมโทสศน้อยทุกน้อยจริงไหมคนทุกน้อยปัญญามากหรือน้อยบิตะโมหะปัญญาปัญญาอยู่ที่จิตหรือวิญญาณปัญญาอยู่ที่จิตหรือวิญญาณเนื่องกับจิตแต่มันก็เป็นเรื่องของวิญญาณใช่ไห ม, มไม่อย่างงั้นพระ อ, องค์ท่านจะบอกแล้ว่า เสนาบดีของท่านส่วนใหญ่อยู่ในโมหะภูมิในเรื่องม้าหมาชนกแสดงว่าภูมิปัญญาใช่ไัมยังไม่พัฒนาถูกั้ยจิตดีนะเพราะเคารพอะไรอ่ะจงรักภักดีคนจงรักภักดีกระตันยูจิตดีไหมแต่ทำไมท่านบอกโมหะภูมิก็แสดงว่าภูมิปัญญาหรือญาทณทัศน์ยังไม่เพียงพอใช่ฮะตรงนั้นนั้นเราก็พยายาม มีเรื่องราว ต, าต่างๆมีตำนานมีอะไรไม่มีหลักฐานมีอะไรผมพยายามเลี่ยงในเชิงพระ泰บิทดกหรือในเชิงของตัวความรู้ทางอื่นๆทางาศาสตร์อื่นเอาเป็นเชิงความเข้าใจอย่างนี้นะฮะแต่ว่ารายงานเขียนจริงๆต่อไปเป็นรายงานตัวนี้จะเป็นการต่างงานเขียนคือดึงออกมาจากตัวและเรียกถาสิทธิ์คือตัวที่เรามีออกมาดึงออกมาดิออาดบๆงานเขียนเนี่ยเราดึงออกมาดิบๆของแท้ๆแต่พอเป็นรายงานเนี่ยมันเริ่มจะต้องมี ตัวปรุงแต่งอะนะมีเครื่องประกอบอลังการบ้างต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่อ้างอิงมีอะไรต่างมีกระบวนการเริ่มเพิ่มขึ้นมาอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะว่าเขาจะเขาจะคุยอะไรกันดูอะไรกันตรงนั้นนะฮะที่ภาษาชาวบ้านเนี่ยมีฟอร์แมตใช่ไหมฮะมีมีแบบฟอร์มมีรูปแบบของการเขียนยังไงนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอย่างเดียวแต่มันก็จะต้องเริ่มเข้ามางาั้นงานเขียนเนี่ยจะสนุกที่สุดงานเขียนคือดึงดึงของเราแท้ๆออมานะฮะตัวโรงงานเขียนง่ายที่สุดหอนุญาตที่สุด ท่นพูดคำ ง, ง่ายอีกแล้วนะตอนนี้เพิ่มคำว่าที่สุดเข้าไปอีกด้วย <laughs> จากเดอมบอก <laughs> <laughs> ยากก็ไม่ง่ายง่ายตอนนี้ง่ายที่สุดอีกครับก็ <laughs> <laughs> <laughs> ขอแสดงความยินดีนะครับอขอข อ, ขอไปต่อครับนะ่ <laughs> อาทีนี้อันนี้ต้องสืบเนื่องจากเอ๊ะทาไมวันนี้ไม่เห็นหมอปลักหมอปลักไม่อยู่เหรอ <laughs> อ๋อขอบพระคุณมากครับ <laughs> สาธุครับ <laughs> ผมได้ยินหมอพลรักษ์บอกว่าจะไปเจโตสมัฏานมหาติปฐานสี่ถูกไหมครับผมก็มาบอกเนี่ยหมอพลักษ์กายานุปัสนาติปฐานซึ่งคนเขาทั่วไปเชื่อว่าเป็นเจโตสมัฏ น, นะครับแต่เขาไม่รู้ว่ากายในกายจะต้องลึกเข้าไปถึงธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟตอนที่เป็นกายในกายเนี่ยดินน้ําลมไฟตัวเนี้ยมันเป็นดินน้ําลมไฟของกายตัวนอกไหม ตอนที่เป็นกายในกายนะเป็นกายในกายข้างในนะที่เป็นดินน้ําลมไฟเนี่ยนะครับอยู่ในอํานาจของดินน้ําลมไฟนะกับไอตัวที่เป็นอินทรีย์วัตถุที่เป็นดินน้นํนะนนานน ล, มนะนนลมไฟในตัวร่างกายเราเนี่ยอันเดียวกันไหมไม่ไม่อันเดียวกันเห็นกายานุปัสนาสิปบฐานจริงไม่ได้อธิบายอยู่ที่กายอย่างเดียวเพราะท่านมีกายในกายเนาะแล้วเป็นลําดับ ปลายๆด้วยรู้สึกถ้าจะมีเก้าบับมั้งนะผมไม่ค่อยมั่นใจเก้าบัป น, นะอันนี้อยู่ท้ายๆน ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเจโตสมระจริงๆเนี่ยไปทำให้การทำงานของตัวกายนอกเนี่ยมันสงบระ ง, งับไปจริงนะต่อให้เป็นสมองอัลฟาเบต้าอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ยังเป็นแค่ภายนอกจริงไหมจิตกระทบไหมจิตเปลี่ยนแปลงพัฒนาไหมจิตทรานส์มก้าวข้ามไหม แล้วท่านให้พิจารณาธาตุสี่อะอยู่ในกายนะไม่ได้อยู่ในจิตนะเป็นหนึ่งไหมท่านหัวหน้าพิจารณาธาตุสี่ไม่มีเด้อ จ, ต, จตุวัตถานอะไรอนะมีไหมจตุวัตถานอะไรเนี่ยมีไหมมีไหม มีไหมปะบับท้ายๆมีไหมที่ไปถึงพิจารณาท้ายๆ้ายสุดจะเป็นกระดูก อ, ะอ่ะอ่าแล้วมีพิจารณาจตุวัตฐานอะไรตรงนั้นไหมมีไหมปะป่าหมวดหมวดธรรมอะ่ะหมวดธรรมมีไหมมีไห ม, มในบับใครใครมีไหมในกายมหาจิวัฐาน4ี เอาละถ้าผิดพลาดก็ผิดพลาดว่ามันไม่ได้อยู่ระดับกายนะครับไม่อยู่ในระดับกายแต่แต่ถ้าที่ผม อ, อยู่ในความจําผมรู้เสียมันอยู่ในเป็นหนึ่งในตัวกายนะฮะข้อหนึ่งในตัวกายที่มีพิจารณาเป็นจตุวัตถานหรืออะไรทํานองนี้คือเกี่ยวกับความมีอยู่ของธาตุสีแต่เอาละนะฮะถ้าเรามาพูดถึงธาตุดินน้ําลมไฟนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวความรู้เลย ดินน้ำลมไฟเนี่ยถ้าท่านมองในแง่ของสิ่งที่อยู่ในอำนาจของมันเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เราคุ้นไปทีหนึ่งแล้วถ้าเป็นกระแสน้ําที่ยังอยู่ในอำนาจของมันคือเราอยู่ในกระแสน้ําวังวนนะฮะเห็นภายในวัดตรงศาลเนี่ยเราก็รู้ละ ว, ว่าเราเป็นยังไงฮะยังอยู่ใต้อำนาจของน้ําใช่ไหมใช่ไหมแล้ว ถ้าตรงนั้นน้ำนี่จะง่ายที่สุดเพราะว่าเราวังวนอยู่ในการเกิดแล้วเกิดอีกเพราะเรามีตัวอะไรพาเกิดตัวอะไรพาเกิดฮะอะไรนะอวิช า, า, ชาถ้าหยาบกว่า น, นั้นหน่อยเป็นตัวอะไรกิเลสละเอียดกว่า น, นั้นนิดนึงตันหาใช่ไหมอ่าเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนนะฮะเพราะกิเลสมันจวนใหญ่มันจะเนื่องกับกายนะฮะแต่กิเลสขั้นกลางก็เป็นเรื่อง ตันหาเข้ามาเพราะฉะนั้นตันหานี่เนี่พาเราวังบนอยู่ในวังวนวังน้ําบนถูกมครัพระเจ้าถึงให้อะไรสีมาว่าเราต้องละตันหาใช่ไหมการละตันหาก็คือว่าเรากําลังฟราหรือก้าวข้ามอำนาจของน้ําถูกไหมครับนะส่วนลมลมนี่คือชีวิตใช่ไหมอานาบาลสีเนี่ยกายละเอียดถึงขั้นกายละเอียดถึงขั้นชีวิต อ๋อนี่ตัวยอนะ่อนะอันนี้ข้อจอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ๊ะหเองนี่ย่อมาไม่ครบเนา ะ, ะมันมีนวสีเป็นข้อสุดท้ายแล้วมันมีทาตุมานาจิการพิจารณาเห็นกายโดยความเป็นธาตุนะครับสงเคราะห์ลงธาตุสีได้นะทงเคราะห์ลงในธาตุสีได้ไม่มีคํานั้นไม่มีภาษาคำนั้นแต่แต่มีทาตุมานาจิการก็พิจารณาลงในความเป็นธาตุนะครับ เพราะงั้นอันเนี้ยเราก็กลังมาศึกษาว่าธาตุที่เป็นกายในกายนะครับอันคือธาตุหลักคือธาตุสีเนี่ยน้ำคือตันหานะครับลมคือชีวิตชีวิตของเราเป็นอมาตะายังชีวิตลมหายใจเราอยู่เหนือลมจนถ้าเป็นอมาตะาได้ยั ง, ยงเกี่ยวไหมเกี่ยวข้องกับเราไหมเกี่ยวกับชีวิตไหมชีวิตที่สูงส่งของเรา จะต้องไปให้ถึงต้องอยู่เนืออำนาจลมของชีวิตจริงไหมใช่ไหมผู้มีอมตะแล้วยังมีลมหายใจไหมมีไห <m akes> ม <m akes> แต่ความมีชีวิตของท่านเนี่ยเป็นอมาตะแล้วถูกไหมอันนี้ต้องขออนุญาตพูดสุดๆไป น, นิดนึงนะเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นแต่จริงแล้วเราค่อยๆหาลมที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้ น, นก็คือลมที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้พอเป็นตกะได้ไหมได้ไหม พอได้นะอ่าตกลงไอ้ที่บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยสมถะไหมสมถะไหมสงบขึ้นสงบขึ้นเลยละอียขึ้นเลยขึ้นเนี่ยวิเวกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสงบไหมอ่ามีปัญญาไหมชัม้นสูงหรือชั้นชั้นต้นโอ้แล้วไปนั่งนิ่งนี่มีปัญญาชั้นต้นไหมฮะแน่นิน่งไปเลยมีปัญญาชั้นต้นไหม อ่านะนี่เอาน้ํากับลมก่อนนะไฟเนี่ยไฟชาญใช่ไหมพ่อท่านเคยบอกวิชาเก้าใครเคยได้ยินบ้างยกมือหน่อยฮะวิชาเก้าเรามีวิชาแปดวิชาเก้าคือมีอะไรชาญตัวนี้คือไฟไฟเย็นขั้นวิชานะเม่อพ่อท่านใช้เย็นบอกไม่รู้แต่เป็นไฟที่ว่ไาไฟเผาเผ า, าไฟปัญญาขั้นสูง ตกลงท่านได้สามมาแล้วนะสามธาตุท่านได้มาแล้วนะชุดความรู้ที่พ่ะท่านสอนมีมีไหมมีไหมดินนะ่ยอุตษาหให้ทั้งสามตัวเป็นก็ <c oughs> ได้เป็นอะไรนะเป็นตัวเออท่านมาเสริมดินหน่อย อ, อท่านก้าวข้ามดินยังไง <c oughs> หมอพลัก <c oughs> ล อ, ลองปฏิพานหน่อยใช่ไหมถ้าได้ทังสามแล้วนี่นะหนึ่งนี่มันไม่ควรหลุดด้วยนะแล้วมันเป็นชั้นสูงด้วยนะสูงกว่า น, นี้ก็อยู่แล้วนะหนึ่งที่หยาบกว่าเนี่ยจะหลุดไหมจะหลุดเป็นเอกเทศออกไปไหมจากหลักธรรมเู้าจะหลุดไหมทัานเชื่อแล้วนะว่าไม่หลุดน ะ, ะฝากไว้ดีไหมหรือจะเฉลยอืมอันนี้น่าคิดนะ เขาใบ้าบาบามาว่าต้องเอาอ น, นิจจังเข้ามาก็ ม, มีส่วนนะท่า น, นิจจังมันก็เกาะกลุ่มเข้มข้นเป็นเหมือนกับเป็นดินใช่ไหม เ, เห็นความเสื่อมน ะ, ะน ช, ช่วยใช้ใหมนะ่หน่อยไม่ได้ยินใช้ใหมนะ่ม<อ>ท่านผูดด้ใดรู้ อ, อย่าปรนนาอมภูมินะครับช่วยดิ น, น, นใช้จิต โรกุตละแท้ไหมคะใช่เพราะว่าผมจำได้มีอยู่อันหนึ่งตอนที่ท่านใครเคยจำได้ไหมพระ อ, อนนเจ็ดวันแล้วอะ่ะถ้าพลันนี้เขาไม่รอแล้วอะ่ะเขาจะทำสังฆทานะแล้วท่านก็บรรลุเลยดินคือแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงคือโรกุตระจิต ท, ที่สามารถที่จะเป็นแท่งเชือ้อ ที่แท้จริงทางจิตวิญญาณในอัตภาพของผู้นั้นใช่หรือไม่คะอ่าอันนี้จะตอบว่าพระนนเมื่อบรรลุแล้วเดินเข้าไปในที่ประชุมสงฆ์อรหันต์ห้าร้อตอนนั้นท่านจังคา ย, ยนาเนาะในนั้นเห็นระบุนะฮะว่าท่านรู้สึกจะถือกระสินดินเนาะถือศินกระสินดินเพราว่าจิตของท่านเนี่ยยั่งอยู่บนธาตุธาตุดินเพราะฉะนั้นความเป็นปึกแผ่นใช่ไหมฮะ ความั่นคงจับต้องได้รูกประธรรมเห็นปุ๊บจับเลยที่ที่บอกว่าดำดินมาใช่ไหมคะท่านใครดำดินพระอานนท์นะคะอ๋อไม่เคยได้ยินไม่ได้ยินตรงนี้พี่เนี่ว่าท่านเดินเข้ามาเนี่ยเดินไปแบบอ๋อเป็นปุกราทิธานอ่าพระอรหันต์รู้ว่าโอ้โหนี่ออกมาเป็นรูปหยาบขนาดเป็นดินของความเป็นอรหันต์น่ยนึกออกไหมแสดงว่าดินนั้นหมายถึงจิตของพระอรหันต์ที่เป็นปึกแผ่นอันมั่นคงแล้วใช่ไหมคะก็ อันนี้ท่านศึกษาเรื่อยๆนี่นี่การเขียนไงงานเขียนเรามีอิสระในการที่เราจะให้กําหนดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยคือตัวที่แบบพูดมาเพื่อให้เราเปิดให้เปิดนะฮะอย่าไปคิดว่านี้คือศาสตร์ศาสตร์คือกําหนดว่าเป็นอย่างนี้แต่นี้เปิดเรามีสิทธิ์ที่จะพิจารณามีอะไรนะฮะอย่างมากก็ขาดแล้วก็เกินแต่ขาดเกินเพื่อเราจะได้ช่วยเอ่อการศึกษาเดี๋ยวะครูตอบให้เขียนได้เลยแล้วสุดท้ายพ่อต้องดูหมดอ่าใช่ใช่ใช่ ผมก็ไม่บอกหรอกว่าผมแย่ท่านให้ท่านไปต่อวงเล็บอันนี้วงเล็บนะครับหมอปลาละไม่เว้นอยู่แล้วนะครับอ๋อหมายถึงว่าเมื่อกี้คุณเทียนพุธบอกว่าเดี๋ยวพวกเราก็ถามอากับพ่อท่านได้นะฮะผมก็บอกผมก็ทิ้งวงเล็บเอาไว้แหละว่าถามๆท่านไว้เดี๋ยวท่านก็ไปต่อท่านเองพ่อท่านเองแล้วผมก็เลยบอกว่าพอละ หมอปลาักก็ไม่เว้นอยู่แล้วที่จะตอบตรงนั้นถามตรงนั้น <c oughs> นะครับคืออันนี้บางทีเราทิ้งเอาไว้บ้างเราเปิดเป็นคำถามไว้บ้างเป็นปลายเปิดไว้บ้างซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าว่าไปแล้วมันคือหยาบที่สุดหรือต้นที่สุดเน้่ในในถ้าเราเรียนปริญญาตรีแล้วตัวต้นที่สุดคือดินเนี่ยยังยังไม่แตกนี่เหรอไหเรายังไม่แตกฉาน มันมีได้เยอะเลยนี่ผมถึงบอกผมเปิดให้ท่านรู้ว่าท่านสามารถจะเขียนเชื่อมกับธรรมะได้อีกเยอะแยะเลยนะครับเนะ า, ค า, า, น า, าะคอนเทน